เอตามังคารมุตตะมันติติวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อของเราหลวงพ่อเมืองของเราท่านเกิดวันที่ยี่สิบเกวันที่ยี่สิบเก้าธันวาอายุของท่านก็ปีนี้หกสิบหกเต็มวันพรุ่งนี้ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านได้ตำแหน่งเป็นเจ้าคุณพระโพธิยานมุนีแต่ง เ, เป็นกรรมฐานด้วยเป็นตำแหน่งที่ได้ทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายเจ้าฟ้าเจ้าคุณทางฝ่ายปกครองได้ยกย่องให้หลวงพ่อของเราเป็นพระ เ, เจ้าคุณจะหาได้ยากอีกตำไม่ใช่ของหาได้ง่าย นี่แหละุปแล้วก็คือหลวงพ่อเมืองของเราทั้งคดีโลกและคดีธรรมทางโลกท่านก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเรียกว่าได้ช่วยองค์หลวงตาแล้วก็ส่วนธรรมะท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักการทามาหาเลี้ยงชีพการทำมา ค้าขายและก็เรื่องศิลธรรมพร้อมๆกันทั้งศิลธรรมทั้งจริยธรรมทั้งการทำมาค้าขายนี่แหละหลวงพ่อของเรานับว่าเป็นพระที่ลูกหลานให้ความเคารพนับถือพวกเรามองมองดูก็ได้วันนี้เป็นยังไงแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่หลวงพ่อมาเจอมาพบมาเห็นก็เห็นแล้วก็อุ่น อบอุ่นที่พวกคณะสัตยาติโยให้ความเคารพหลวงพ่อหรือท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีของพวกเราหลวงพ่อเมืองของพวกเราและกับพี่พี่น้องๆสหธรร ม, มิกก็รู้สึกว่ามาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่หลวงพ่อได้เห็นพี่น้องๆ้องทั้งหลายมาแสดงความมุทิตาสักการะตลอดถึงลูกศิษย์ลูกหาคณะพระน้อยพระหุ่มทั้งหลาย ที่หลวงพ่อมองเห็นทางท้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยนั่งเป็นแถวเป็นแนวเต็มไปหมดพระทั้งหมดก็ทั้งเจ็รอกว่ารูปท่านว่าปีที่แล้วนี่รวมพอถึงตอนเช้าพันกว่ารูปอ่ะแปลว่าท่านท่านให้ความรักนับถือพระสงฆ์พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายท่านให้ความรักเมตตาต่อสหธรรมิ ท่านได้มาโดยชอบรำแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบรำให้แก่เพื่อนภิกษุสั ม, มเนไม่หวงไว้บริโภคจมเพาะผู้เดียวอันนี้คือเป็นธรรมในใจของหลวงพ่อของเราเป็นผู้มีเมตตากว้างขวางอยู่แล้วอันนี้ก็น่านับถือเรียกว่าน่าเรื่มใส่น่ายกย่องในสหธรร ม, มิกหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง และก็การบริหารจัดการทางบ้านเมืองที่ท่านดูแลในหน้าที่ของท่านท่านก็ให้ความอบอุ่นทุกระดับทั้งข้าราชการพังพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าท่านพอจะช่วยสงเคราะห์สิ่งไหนได้ท่านก็ช่วยสงเคราะห์ตลอดถึงแนวแถวที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านได้หาทองคำหาทองคาเข้าคลังหลวงหลวงพ่อเมืองของเราเขาไม่ได้ปล่อยปะาละเลยไม่ได้นิ่งดูได้ช่วยๆกันจนเป็นที่รู้จักในสหธรรมนิชในหมู่พวกเพื่อนว่าเป็นกําลังหลักท่านหนึ่ง กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มของพวกเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นผู้มีความหวังดีแล้วว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีตาต่อประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหลวงพ่อเคยพูดว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเนี่ย เรามีแต่เราจะพูดกันแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้เป็นบุพะการีแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าจะไล่เรียงตามลำดับแล้วพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นยอดบุพะการีก่อนที่พวกเราจะรู้จักพระคุณของพ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนแต่อย่ากอย่างาศาสนาอื่นอย่าเนี้ยเขาก็ไม่ได้สอนอย่าง อ, อ, อย่างฝรั่งอย่างนี้ อย่างพวกเราท่านทั้งเหตุทั้งหลายเห็นพออายุแก่ขึ้นมาก็ต่างโนต่างอยู่ไปอยู่ในอาคารสงเคราะห์อันนี้คือเป็นประเพณีของเขาแต่พุทธศาสนาเนี่สอนให้รู้จักพระคุณของพ่อของแม่ก่อนที่พวกเราจะรู้จักพระคุณของพ่อแม่เนี่ยทำไมเราจึงรู้ก็เพราะว่าพระพุทธเ จ, จา้าบรมวครูของพวกเราท่านบอกว่าเราเกิดมาพบใดชาติใด เราไม่เคยปล่อยปละละเลยเรื่องพระบิดาบิดามารดาของเรามาในชาติที่สุดท้ายของพระพุทธองค์เมื่อพระมารดาของพระองค์ประสูติได้เจวันประสูติพระพุทธองค์ประสิทธิ์ฐานได้เจวันพระมารดาก็สวรรคตก็ไปขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาพระองค์ก็ยังขึ้นไปโปรดไปแสดงธรรมทั้งสามเดือน ไปโปรดพระมารดาสวดพระไปเทศอภิธรรมสามเดือนโปรดพระมารดาออกพรรษาได้จึงได้เสด็จกลับลงมาที่ว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววันหนึงว่าตกตักบาดเทโวนวันออกพรรษาอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์จะได้มาถึงพระบิดาของพระองค์พระเจ้าสุโทโธทนะพระพุทองค์ก็ ได้ไปโปรดพระปิดามาถึงกรุงกระบินรัฐทีแรกก็เทศนาว่าการให้พระปิดาได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นมาก็เทศอบรมอีกได้พระอนาคามีต่อวาระสุดท้ายเอ้ท่านประชวนหนักพระองค์ก็เข้าไปโปรดถึงที่นอนไปกับพระอานนท์กับพระราหุนไปเทศในในที่นอนพระเจ้าจุโถทนะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต ใจที่นอนเพราะองค์ก็เสด็จกลับเสด็จองอมาบอกบอกว่าได้ส่งพระบิดาถึงฝั่งแล้วนะถึงฝั่งก็คือพระนิพพานแล้วอันนี้คือพระพุทธพระเจ้าจุโฑธนนะไม่ใช่ว่าสวรรค์นครบนะท่านพระเจ้าจุโฑปรินิพพานเนะพราะอะไรเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วนี่แหละพระพุทธองค์ท่านไม่ได้นิ่งดูได้แต่ก่อนก่อนท่านก็พูดว่าเราเคย แสดงความปตัตยูกตะวเ ว, วทิตาต่อบิดามารดานี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนพวกเราให้รู้จักพระคุณบิดามารดาเนี่ยครับพระพุทธเจ้าจะเป็นบุภการีบุคคลผู้มีอุปกัฏะก่อนเป็นผู้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักออบอกว่าตายแล้วไม่สูหถ้าตายแล้วเกิดอีก อันนี้ก็คือทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศและก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมันจากนั้นกับพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนพวกเราถ้าหาว่าไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมมาบอกกล่าวมาแนะนำพวกเราพวกเราคงจะไม่รู้พระธรรมเหมือนกัน เพราะนั้นจึงแบบพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้มีอุปกราระคุณสําหรับพวกเราอย่างมากอย่างนั้นก็คือพ่อแม่ของพวกเราบิดามารดาเป็นบุคคาจารย์เป็นอาจารย์คนคนแรกของบุตรธิดาบิดามารดาเป็นพระหันของบุตรธิดาบิดามารดาเป็นพรมของบุตรธิดาพระพุทธเจ้าเรียงตามลําดับไว้พูดไว้หลายๆอย่างพระพุทธ พระบิดาบิดามารดาเป็นพระหันของบุตรเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบว่าเป็นพระหันเป็นที่เคารพของบุตรธิดาถ้าใครก็ตามทําไม่ถูกกับบิดามารดาแล้วคนนั้นตกนรกในง่ายๆแต่ถ้าว่าผู้ไรก็ตามปฏิบัติบิดามารดาคนนั้นไปสู่สวรรค์ได้ง่ายถ้าว่าผู้ไรก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่มาตุกฆ่าฆ่ามารดาปิดถูกฆ่าฆ่าบิดาอรหันต์ตะฆ่าฆ่าพระหัน โลหิตตุบาททาร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันอันนี้อันนี้ก็คือบาปหนักในทางของพุทธศาสนาแค่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่กับฆ่าพระอรหันนีเท่ากันอหมนี่ว่ามาตุกขาตปิทุขาตมาตุกขาตปิตุข า, าตอรหรันอารหันตะขาตเนยโลหิตตุบาตแล้วก็ยุสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายบาปหนัก อันนี้ว่าอนันตริยกรรม5้าอย่างนี่แหละคือท่านจึงเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรและพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิ่ดาพวกเราเกิดมาถึงเราจะไม่เห็นเราเกิดว่าเมื่อเราเกิดพ่อแม่สอนอย่างไรอันนี้เราพวกเราก็เคยเห็นเด็กเด็กที่เกิดมาแบเบาตัวแดงๆในพ่อแม่เขาสอนอย่างไรเขาดูแลกันอย่างไรเขาเลี้ยงข้าวเขาป้อนข้าวอย่างไง เราให้อาบน้ําอย่างไรเราก็ไม่แพ้กันกับเด็กเหล่านั้นเพราะฉนั้นพ่อแม่จึงเป็นเป็นบุพพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุทรธิดาให้รู้จักดีให้รู้จักอาบน้ําให้รู้จักทานอาหารรู้จักกลับนอนให้รู้จักเออมากมายหลายๆอ ย, ายา่างเอ่อนี่นว่าเป็นอาจารย์คนแรกเอ่อจากนั้นพอที่จะพ้นมือตัวเองได้เอ่อพร้อมที่จะไปเรียนหนังสือได้พ่อแม่ก็ส่ง ถึงจะส่งไปก็เถอะกับพ่อแม่ก็ยังอยู่ในสายตาเงินต่างๆทุนต่างๆอาหารต่างๆยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บต่างๆการรับการส่งต่างๆก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่อีกอย่างเก่าเพราะั้นพ่อแม่จึงเป็นบุพภาอาจารเป็นอาจารย์ของบุตรทิดาเนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมพระคุณของผู้มีอุปการคุณพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะวทที่ตาอย่างไรต่อบิดามารดา เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลระพฤตอตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาจะต้องแสดงความกตัญญูจากนั้นต่อมาก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พวกเราก็ไม่ควรจะมองข้ามอีกเหมือนกันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านรักษาประเทศชาติบ้านเมืองมา ตั้งแต่ดึกํำบันตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทราทิศพ่อคุณรามํำแหงจากนั้นก็มาถึงกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาด้วยความ ป, ปีชาสามารถมาหนักที่รัชกาลที่ห้าถ้าว่าพระเจ้าเป็นดินรัชกาลที่หรัชกาลที่สี่ที่หไม่มีความปีชาสามารถแล้วประเทศชาติชาติไทยของเรา คงจะตกเป็นเมืองขึ้นอย่างประเทศเพื่อนบ้านของพวกเร า, ขาเขมรลาวเาวียดนามแถบแถบนี้ทั้งหมดพมา่ามาเลสิงคโปร์อินโดก็ล้นแล้วจะเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติทั้งนั้นมีประเทศไทยแห่งเดียวที่เป็นเอกราชอยู่ยงคงกระพันอันนี้ก็ น, น่าปลื้มใจที่ประเทศชาติของเราได้เป็นเอกราชเพราะเหตุใดเพราะพระเจ้าแผ่นดินมีปีชาสามารถ เอาประเทศชาติรอดพ้นจากการร่านานิคมของประเทศเหล่านั้นมาได้อันนี้พวกเราก็ควรจะแสดงความกระตัญญูกะตะเวที่ตาต่อวงกษัตัิย์อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันจากนั้นก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์อันนี้ก็เป็นบุพการีอีกเหมือนกัน ถ้าหาว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้แนะนำครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องธรรมวินัยให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะรู้ศีลธรรมจริยธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์เก็เป็นบุพการีส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าจะเรียงลาดับแล้วก็คือพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุพการีส่วนหนึ่งพ่อแม่ ของเราให้กำเนิดเราเราเควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อพ่อแม่ที่ท่านเป็นบุพการีจากนั้นก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านปกครองประเทศชาติที่เราได้นับถือพระพุทธศาสนารู้จักบาปบุญคุณโทษขนาดนี้กัเพาะว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจากนั้นก็เนีเ่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อขอให้พวกเราทุกท่านให้สำนึกข้าพวกเรา มีความแสดงความกตัญญูกตเวทีตาไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าพวกเราเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุ ณ, จคณเจ้าฟ้าเจ้าแผดินไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะจะถือว่าตัวเองเจริญจะเจริญก็เจริญเพียงแต่ลมปากเท่านเองแต่ในใจของพวกเราพวกคนคนนั้นน่ะ เจะดำปีหาคุณธรรมในจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้สํานึกเอาไว้ให้กราบคารวะอะไรยังว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถาวายชีวิตต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหลักเหตุผลในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นธรรมต่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นธรรมที่เป็นหลักเหตุผล สิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วข้าจะข้าเปเจ้าจะไม่ทำในสิ่งนั้น น, นขอให้พวกเราทั้งทั้งหลายตั้งใจไ ว, ไว้ไว้ในใจนะ่ถ้าว่าพวกเรามีความไว้ในใจอย่างนั้นแล้วนะพวกเรามีแต่ความมีแต่ความเจริญแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมันก็มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหาที่สงบหาที่สงบร่มเย็นเป็นสุกไม่ได้ แต่วันนี้หลวงพ่อเห็นเห็นพวกลูกหลานเขาละเล่นฟ้อนหางนกยู่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ก็ตรงที่ว่าในในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารในกรุงสวัสถีพระสงฆ์อยู่ในวัดสวัสถีมีมาก แต่ว่าที่ศาลาใหญ่นะั่นกลางคืนนกเขากามันก็ไปนอนอยู่ที่ศาลาแล้วก็มีนกเค้ามีนกเขาใหญ่กูเป็นนกฮูกใหญ่นะมัง้งแล้วก็มีกากาเขามากถนะ้าได้พอตกกลางคืนนกเขาก็กินกาเพราะนกเขามันตาสว่างนะมันกินกากาก็หัวหลุดหัวขาด พอตกกลางวันกาก็ไล่ตีนกเขาไรจิกนกเขากินนกเขาเอานกเขามันมองไม่เห็นบินไปไปชนต้นไม้ชนตะไปหมดเลยมันตามันมันมันมองไม่เห็นมันไม่ถนัดตาก็กาก็กินนกเขาออแต่ละวันนีไปว่าพระเนี่ยอยู่ที่ศาลาเนี่ยบ า, บางบางบางทีก็ปัดหัวนกเขาบางทีก็ปัดหัว ก, วกาเพราะนั้นขนนี่หล่นเกินไปหมด พระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพูดกันเอ๊ะทำไมนกสองตัวมันทำไมเป็นอริเป็นศัตรูกันบ่แต่นกอย่างอื่นมันก็ไม่เห็นเป็นเตมมันทำไมนกกากับนกเขานะ่ยมันทาไมมันยังเป็นอรุเป็นอริศัตรูกันมันกินกันมันทำไมไปกินกันพอกลางคืนก็เออหัวกาหลุดขนเกื่อนไปหมดแต่้องทอถึงตอนเช้าก็อตอนกลางวันนกเขาหัวหลุด ขนเต็มไปหมดก็ไม่ใช่อื่นไกากับกาเนี่ยเลยกินก่องคืนกับนกเขาเนะี่ยแหละกินกาเนี่ยพอพระพองค์เฉเดจมาพอท่านมีเหตุก็เสเด็จ่ันได้ยินด้วยทิพโสตะคือหูทิพเน่ยพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยหูทิหูทิพท่านก็มาถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอส น, นทนาการพูดกันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลว่าพูดเรื่องนกเขากับการพระเจ้าขา้าพราะเหตุเน่ย นกเขาแต่ละวันกลางคืนก็หัวกาขาดพอนกเขากินแต่พอถึงตอนกลางวันกาก็ไล่ตีนกเขาก็กินนกเข้าอีกทำไมนกสองตัวนึงจึงจึงจึงเป็นเวรต่อกันพระเจ้าพ่าพระพุทธองค์บอกว่านกสองตัวนี่มันจองเวรกันมาตั้งแต่ตั้งแต่สร้างโลกนะตั้งแต่สร้างโลก พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูมพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่กาคนกเขามันจองเวรกันพระพุทธองค์บอกว่าสมัยสร้างโลกใหม่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทุกวันนี้แหละแต่หลวงพ่อก็ได้ยินกันนึกคำๆเหมือนกันนะเขาบอกว่าโลกจะแตกเขาว่างนนะอีกเดือนไหนเดือนเมษาหรือเดือนอะไรเนะี่ยแต่หลวงพ่อจะว่ายังไงเข า, าเอา้าถ้าโลกแตกมันก็ดีในดีในนาะ โลกมันตั้งมาตั้งนมนานมันไม่เคยแตกมาแตกยุคของเราเกิดเนี่ยเอมันก็ชโชคดีนะวะ่าเราเห็นโลกแตกพอเราแตกเราก็ตายไปเกิดมาพบนาาหน้าชาติหน้าเราก็จะได้ว่าโอ้โ oh, หในชาตินั้นอะโลกมันแตกดังตั้มอเลยก็จะได้รู้ไอ้เราก็ตายไป เ, ไร เ, รเราก็จะได้รู้ว่าเออน่ะในเกิดชาติหน้าเราก็จะได้รู้ว่าโลกแตกยมันก็ชโชคดีขนาดนั่นก็หาหาดูได้ยาก หลวงพ่อวาดอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันน่ต่อมาเนี่ยสร้างโลกใหม่สมัยสร้างโลกใหม่สัตว์สีเท้าสัตว์ ส, ตสีเท้าขึ้นมามันไม่มีเจ้าหน่ายก็สัตว์สีเท้าก็เลยพวกเสือพวกราชสีพวกช้างพวกเก้งพวกกวางเราจะตั้งใครเป็นพญาก็เลยประชุมกันก็เห็นว่าราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีน่ากลัวน่าเกรงขาม ก็น่าจะยกให้ราราษฎ์ศีเป็นพระยาจากนั้นก็เอาพร้อมกันยกให้พระยาราษฎรศรีเป็นพระยาต่อมาปลาอยู่ในน้ำเราจะยกใครให้เป็นพยาเขาบกว่ายกให้ปลาอานนท์เป็นปลาใหญ่อยู่ในน้ำเป็นผู้ปกครองหมู่พกเพื่อนเป็นเป็นพยาแต่พวกนกทั้งหลายนเี่เราจะให้ใครเป็นเป็นพระยา สัตว์สี่เท้าก็มีแล้วเอแล้วก็ปลาก็มีแล้วอย่างนกนะสองสัต์สองขาก็มีปีกด้วยเนยเราจะให้ใครเป็นพญาแต่ได้ก็เลยปนกทั้งหลายก็เลยเรียกประชุมกันเอาพวกเราควรจะประชุมกันเหมือนกันนะควรจะตั้งพญาแต่เน่ก็เราจะไปะชุมกันที่ไหนประชุมกันที่ลานหินป่าหิมพ า, าน อยู่ที่พลานหินป่าหิมพานตนะ์ไนกทั้งหลายไปเชิญไปประชุมกันที่นั่นแต่เน่ก็ได้ฟันเวลาลวก็ไปไปกับนกฮูกนกเ้าเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยไปก็ยืนทําท่าตัวตรงหน้าเง้มเออนกเขามันยืนมันยืนตัวตรงได้กลางวันฮนะแต่เน่ก็นกทั้งหลายก็ไปพร้อมกันเห็นแต่นกเขายืนตัวตรงอ ประกาศขึ้นมาอา้าพวกเราให้เลือกนายหรือสิเราจะเอาใครเป็นเจ้านายของปกครองพวกเราเออคนนั้นก็เห็นนกเขามันไปยืนก่อนใช่ไหมก็น่าเกรงขามก็เลยบอกขึ้นมาว่าเอ้ยพวกเราน่าจะเอานกเขาเนี่แหละเป็นพญาพ่อเป็นสัตว์เอ่เป็นพญาดูสิว่าหน้าเกรงขามดีนะอดูสิตัวตรงนั่งนิ่งตัด จ, จัดสินคดีความอันไหนก็คงจะเด็ดขาดได้ เ, เพราะว่าดูๆแล้วน่าเปลงขาม น, นกทั้งหลายก็ออเออเห็นด้วยให้นกเขาเป็นพยาทนี้านกาทนายกาเขาอยู่ใกล้ๆกาบอกว่าข้าพระเจ้าขอแสดงความคิดเห็นเอ้าแสดงความคิดเห็นได้กาก็บอกว่าเนี่ยที่ข้าพระเจ้าเห็นนกเขาเนี่ย ก็เจียงอยู่เดินนิ่งหน้าเงิยแต่ว่ามนุษย์สัมพันธ์สัตว์สัมพันธ์เนี่ยได้จะบอกกล่าวอะไรเนี่ยไม่มีวีแว่แววมองไม่เห็นหน้าเงิมอยู่ทั้งวัน เ, ออเวลานกทะเลาะกันอะไรพวกเราทะเลาะกันนกเขาจะมีปัญญาจะมาไก่เกียจะมาบอกกล่าวจะมาห้ามปามได้ไหมหลับตาอยู่ทั้งวี่ทั้งวันข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่จะให้นกเขาเป็นพยาฮะ กาคัดคานพอจากนั้นมังกกกาก็บินขึ้นท้องฟ้าเลยประกาศเลยว่าไงนต่ข้าไปเจ้าไม่เห็นด้วยจะให้กาไอ้เป็นนกเขาเป็นพยากาก า, กากากากไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจากนั้นก็ลงมาพอลงมาเสร็จแล้วก็นกทั้งหลายก็เออใช่กาพูดถูกว่ะมันไม่มีสัตว์สัมพันธ์เลยนะมันน่างืมอยู่ทั้งวั น, นมันจะไก่เกีย่ยใครได้ไม่ไม่ใช่ ถ, ถ, ถูกอย่างที่กาพูดเลยละเออการรู้สึกว่ามีวี่แวว ล, ออ ล, ลักษณะคนมีปัญญาวะ่ะ อ, อลักษณะกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปัญญาวะ่ะรู้จักสังเกตเออพวกเราถ้าเป็นลักษณะนี้เอากาเป็นพญาดีไหมออพวก น, นกทั้งหลายเขาก็เสนอกาเล อ, อแต่นกเขามันโมโหอยู่ในใจใช่ไหมละ่ะ ม, มันโมโหอยู่ในใจอยู่ แต่นี้เขาก็ตกลงกันเสียงสวนมากนี้นกเขาก็บอกว่าข้าพรเจ้าขอแสดงความคิดเห็นได้ไหมเอาได้พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นเนกเขาก็เลยบอกว่ากาเนี่ยมันไม่ใช่ดำแต่ผิวมันนะไม่ใช่ดำแต่ขนมันนะใจมันก็ดำด้วยนะเนี่ยมันคนจะถล่มกันนะเพราะเหตุไรต่อหน้าเป็นยั่นหนึ่งรับหลังเป็นยังหนึ่งแต่คณะ พวกเราเห็นยอย่างเนี้ยอที่แสดงความคิดเห็นอย่างเนี้ยอมันขโมยกินไข่นกไข่ไก่ไข่อะไรต่อมิอะไรมากมายแต่ถ้าหาว่ามันให้เป็นกาเนี่ยเป็นพญาเนี่ยพวกเราจะหาลูกหาไข่ไปมาเลี้ยงมัน่ะมาเลี้ยงกาเดี๋ยวันละกี่ฟองแหมหมดไปเท่าไหร่แต่ขณะที่มันไม่เป็นพญาเนะ่ยมันก็ยังใช้อํานาจถึงขนาดนี้ พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีนะจะเอากาเป็นพญาข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่เอากาเป็นพญานกเขาก็บินขึ้นท้องฟ้าอีกเก้ียวเวเกวไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะให้นกเขาเป็นพญาบินลงมาอีกผู้กเนิดเออใช่นกเขาพูดถูกว่ะเออคนที่จะเป็นหัวหน้าเนี่ยมันต้องมีเมตตาต้องมีน้ำใจอัไรที่จะไปหาขาโมยหน้าขาโมยหลัง อกินลูกเขาอย่างเนี้ยกินไข่เขาอย่างเนี้ยเวลาเขาไมา่อยู่เอขโมยกินนะกเนี่ยกาในมินิสัยขโมยเอถ้ามันเป็นพยานมันจะเป็นขนาดไหนทั้งมีอํำนาจด้วยทั้งขโมยด้วยในสัตว์ตัวเดียวกันไม่เห็นด้วยทีนี้ก็นี่แหละกากับนกเขาทีนี้มันก็ขวางกันแล้วทีนี้เพราะนกเขานี่แหละคัดค้านไม่ให้ข้าเป็นพยานนกเขากว่ากาเนี่ะ คัดค้านมาให้ข้าเป็นพญาเนี่ยนี่แหละมันผูกอาฆาตกันเลยทีนี้ผูกอาฆาตในใจเจ็บใจกันเหมือนันเด่ะตอนี้ก็นกทงหลายก็เสนอเอาใครเป็นพญาเอานกหโขงเอานกโขงเป็นพญาอนกหโก็เสนอขึ้นมาไม่มีคัดสัตว์ตัวไหนนกตัวไหนคัดค้านเลยทีนี้เพราะว่านกโขงเป็นนกที่สวยงามแล้วก็กินพวกปลาไม่กินพวกนกแล้วก็กินข้าวกินมเมล็ดหญ้า เป็นอาหารไม่ได้เบียดเบียนนกด้วยกันกยกให้พญาหงเป็นพญาตั้งแต่บัดนั้นมากรเลยหงเป็นพญาหงพญาหงทองพญาหงขาวเป็นพญาตลอดมาจากนั้นไอ น, นกเขากับกานี่ก็เลยผูกอาคาดพยาบาทจองเวีนกันมาตั้งแต่บัดนั้นพอกาเห็นนกเขากลางวันกาก็เจกตีนกเขาพอกลางคืนตกกลางคืน ตากามองไม่เห็นนกเขาก็ตีกาไนี่แหละพระพทธองค์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านกสองตัวนะั้นมันผูกอาฆาตพยาบาทมาตั้งแต่สร้างโลกเดี๋ยวนี้มันถึงลูกถึงหลานมันก็ยังผูกพยาบาทอาฆาตกันมาอยู่ตลอดะนะประทานขอให้พวกเราดูดูนะชาดกทั้งหลายเป็นบทเรียนเหมือนเราพวกเราเหมือนกันถ้าพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันก็ผูกใจเจ็บมาไว้จนถึงลูกถึงหลาน ผูกอาคาตพยาบามจองเวรกันถึงลูกถึงหลานฆ่ากันไปเรื่อยๆนี่แหละการจองเวรกันไม่เป็นผลดีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเจนเวรจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวรนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาแต่ทนี่มาพูดต่อไปอีกนะเมื่อกี้นี่เห็นลูกหลานเขาฟ้อนหางลกยุงเขาบอก คงจะถอนถางนกยูงหลวงพ่อเมืองเขาว่ากันเนี่ยอยู่ในวัดหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นเลยว่าวัดหลวงพ่อเนี่ยมีมีนกยูงไหมแต่นี้ทตนี้ต่อมาพญาหงษ์เนี้่ยพญาหงษ์ทองพญาหงษนะ์ได้ลูกสาวนะพระได้ลูกสาวตัวหนึ่งสวยงามมากแต่นี้พญาหงษ์นะก่อนอยากจะให้เป็นอิสระใครๆก็ว่าเอมไม่ได้ผูกมัด ให้อิสระในการเลือกคู่อให้นางหงที่เป็นลูกสาวเลือกคู่ได้จะเอาใครก็ได้เจะเอาหงตระกูลไหนก็ได้จะเอาชัตที่เป็นนกประเภทไหนก็ได้มาเป็นครูของให้เลือกได้อิสระนแต่นางหงเษ์ลูกสาวนี่มองไปเห็นติดใจพญานกยุงเถอะนกยุงนกยุงมันขนสวยนะ แอ่นกคนสวยอพญาหงก็บอกว่าเอาเลือกเทประกาศพญาหงเป็นพญาเนี่ยเรียกมาพวกอีแรงอีกามาปัดไป็ใครใครนกตัวไหนก็อยากเป็นลูกเขยลูกเขยพญาหงฮะแอ่เป็นพญาหงจะเป็นลูกเข ย, ยพญาห ง, าห ง, ยยาหงแต่เนี้ก็นกยงก็มา แต่ว่าลูกสาวของพะยาวหงเนี่ยหมายตาไปแล้วอยากจะได้อยากจะได้แฟนนกยุงอ่ะเพราะมันสวยงามดีแต่爹ก็ให้หมายหรือว่าเอาพวงมาลัยแล้วเอาเครื่องหมายไปบอกว่าชอบชอบนกตัวไหนพ่อแม่ก็ให้อิสระแก่ลูกนางหงตัวนี้ก็เลยไปเลือกกนกยุงเทอนกอยุง โอ้ตระกูลของทางหลายเสียหน้าขนาดหนักเลยทีนี้ขายหน้าขายตาพอลูกสาวไปเลือกเอาพญามันข้ามเผ่าพันธนะ์เสียหน้านะแต่จะทำยังไงได้เพราะลูกว่าประกาศแล้วแต่ทีนี้ก็เอาถึงวันแล้วก็มากินเลี้ยงกันเลี้ยงโต้กันนะมันแต่อย่างพวกเราเลี้ยงโต๊ะจีนเรื่ก็มารวมกันมาแสดงความกินดีที่ลูกพญาจะแต่งงานกับนกยูง จะไก็มาวงล้อมกันกัคงจะมีการร้องเพลงอย่างพวกเราเห็นอย่างวันนี้นะร้องราทําเพลงร้องล้อมวงกันพอร้องวงกันร้องเพลงไฟ้พญานางหงนางหงลูกพระญากับนกยุงทองกับนกยูงกับเคียงคู่กันเคียงคู่กันนกทั้งหลายก็มอง อ, อตาปิดๆๆอยะ่แต่ในพอเสียงสนุกสนานร้องเพลงขึ้นมาไอ้อนกยุงนี่ก็อยากจะให้งานลื่นเลงบันเทิงเ อ, อมีสีมีสันขึ้นมาอีกเหมือนกันไอ้นกยุงเป็นลูกเขยเนี่ยเขยนกยูงนหมือนกันอยากจะให้งานตัวเองเนี่ยมีสีสันขึ้นมาอีกตัวเองเลยกระโดดลงไป อ, อไปกระโดดลงไปก็เป็นลำแพร์ถึงอย่างลก อย่างนกยูงลําแพนเนี่ยถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังเพียงพวกเราเห็นเนี่ยหางของมาในกลางอหางมันกลางเนี่ยขนทางมันกลางแต่ในนกทั้งหลายเห็นทีอะนี่ทั้งที่เขาจะยกย่องโอ้นกยูงนำแพนนี่สวยงามมากเนี่ยทั้งที่เขาจะยกย่องอย่างนั้นเขามองไปอีกมุมหนึ่งเถอะปญาหรก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นถูกไหมทาไมนกยูงที่นี้ไม่มีฮลิโอตปะเลย คนนกทั้งหลายมาล้อมรอบทั้งหมดอย่ามากองก้นให้นกทั้งหลายเห็นมันดูมันไม่น่าอดสูดูได้เอมันทำไมจะไปหาให้เขาเห็นก้นของตัวเองเอมันไม่สมควรอย่างยิ่งโอ้ปียาหงเสียหน้าขนาดหนักทีนี้จากนั้นมาปียาหงก็เลยบอกว่าไอ้หนู จะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมลนะ่ะเขาพูดเนี่ยทั้งที่นกทั้งหลายมันจะอยู่ในในขอบในเขตอันนี้ไม่มีฮิลิโอตาปะไม่มียางอายเลยไปลำแผนเปิดก้นให้เขาเห็นเนี่ยเจ้าจะเอาเป็นผัวอยู่เหรอนกหงอีนางหงก็เลยไม่เอาแล้วพอถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่แต่งงานด้วย น, ะนกยุงตัวนั้นก็เลยมด <What? S 1> ทาดเพาะงั้นไะ มดท่าเพราะว่าตัวเองคิดว่าจะให้มีสีสันกับชวดไปไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวพญาหงษ์นี่แหละเรื่องนิทานทั้งสองเรื่องเนี่ยถ้ามาโยงใส่กันแล้วก็คือเรื่องผูกอาคาดพยาบาทจองเวีนกันไม่เป็นผลดีอันเรื่องที่สองนี่ก็คือนางหงกับพญาไอ้กับนกยุงทองอันนี้แปลว่าคนมองกัน ในแง่มุม เ, เพราะการจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้รอบคอบแต่เรามีความเห็นอย่างนี้แต่ดูๆแล้วมันเสี่ยงเกินไปเขาก็มองอีกในแง่มุมหนึ่งหาว่าเราขาที่รีอตปะไม่มีความละอาย อ, อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราอยู่ในโลก อ, อยู่ในโลกใบนี้ก่อนที่จะคิดจะพูดจะทำสิ่งไหนก็ตามให้รอบคอบไว้ดีที่สุดนะอันนี้ก็คือ เรื่องการเป็นอยู่ด้วยกันที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี้ถ้าจะว่าจัดเป็นหมวดสินก็คือสินสินและวินยัยคือการอยู่ด้วยกันเะียวว่าจัดว่าเป็นสินหรือว่าจริยธรรมจินธรรมคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องแนวปฏิบัติสาหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้ถ้าเราไม่พูดเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องภาวนาเสียเลยมันก็เหมือนกับพูดลอยลอยไม่มันไม่ถึงไม่ไปถึงไม่ถึงหลักไม่ถึงแก่น เ, เหมือนกับเราพูดแต่เรื่องทานกับศีลไม่ได้พูดเรื่องถึงเรื่องปฏิบัติเพราะนั้นอาตมาภาพหรือหลวงพ่อจะขอแนะนำกนัตถทาญาติโยม หลักของพระพุทธศาสนาเนี่เราให้ศึกษาบารมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําไมจึงหนีออกบวชพระพุทธเจ้าเห็นอะไรแล้วประบวชเข้าไปและไปศึกษาอยู่ในป่าหกปีนั้นท่านได้อะไรสิ่งเหล่านี้พวกเราพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะนํามาคิดกันกลองไตรตรองตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนพวกเรา ท่านทังสอนเรื่องอะไรที่จุดยืนจุดยืนที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือในภาคปฏิบัติคือวิมุตตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวะัฏะสงสารอีกอันนั้นคือจุดประสงค์ของพุทธแต่พระพุทธเจ้าท่านหนีออกไปบวชท่านเห็นอะไรท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นส ม, มณะ แต่เห็นต่างกลัมต่างวาระกันเห็นแต่ละวันกันแต่เห็นคนแก่ก็สลดสังเวชใจเห็นคนเจ็บก็สลดสังเวชใจเห็นคนตายก็ยิ่งสลดสังเวชใจแต่เห็นสมณะนั่งยึดที่โคลนต้นไม้เออถ้าหากว่าเราออกหนีออกจากเวียงวังแล้วไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ในปาน่านั่งกันกรองไตรตรองอยู่อย่างสมณะท่าน น, นี้นั่งอยู่ที่โคลนต้นไมน้นั่งคิด การคลองไตรตองเราคงจะมีช่องทางคงจะเห็นช่องทางที่เราจะไม่มาเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารอีกถ้าเราอยู่ในเวียงวังภารกิจธุรกิจที่เราบริหารจัดการมีมากเหลือเกินแต่ละวันไม่รู้ว่าเรื่องสำนักออไม่รู้ว่าเรื่องวงังไม่รู้ว่าเรื่องเส้นเสนาอามาร์ตไม่รู้ว่าทุนทะเลาะพิวาทกันไม่รู้ว่าปกครองประเทศชาติไม่รู้ว่าจะหาเงินคาทรัพสมบัติ มาดูแลประเทศชาติอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมดถ้าหาว่าเราอยู่ในเบี่ยงเังคงไม่มีโอกาสที่จะมาคิดค้นคิดหาว้นทางที่ว่าเราจะมาเข้าจะทํำยังไงจรึงไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกคงจะคิดไม่ออกแต่ถ้าเรามานั่งอย่างส ม, มณะท่านนี้เนี่ยเราคงจะมีช่องทางอันนี้พระพุทธองค์ท่านมองเห็นส ม, มณ ะ, ะคือนักบวชนั่งอยู่ตามลําพังเพราะนั้นท่านจึงได้เสด็จ กลับเข้าไปสู่เวียงวังจากนั้นท่านก็ได้บอกกับ น, น, น, นายชนะและก็ได้ให้นายชนะเตรียมม้าขันธกาศเป็นม้าที่พระ อ, องค์เคยใช้เคยทรงตรวจราชการมาก่อนจากนั้นก็พอถึงเที่ยงคืนแล้วก็ขโมยหนีออกมาจากเวียงวังไม่บอกใครเลยถ้าบอกคนทั้งหลายคนยคนอหน้ก็คงจะมานอนขวางขวางหน้ามา้าขวางหนทางเอ ม้าเขาคงจะออกไม่ได้อันนี้พระองค์ไม่ได้ทําแบบเล่นๆไม่ได้ทําแบบที่ว่าทำเยอ่อเย่อแยะแยพูดไปแล้วก็อยากจะให้เขาห้ามตนเองไม่ใช่อย่างนั้นพระองออกมาจากใจจริงๆเราเห็นแก่เจ็บตายจริงๆถ้าเราอยู่นี่เราต้องตายแก่เจ็บตายแน่ๆพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราออกไปไหนหมดท่านก็ผ่านไปท่านก็ทิ้งสมบัติให้พ่อ ออกจากพ่อเราจะทิ้งสมบัติให้เราเราก็คงจะทิ้งสมบัติให้แก่ลูกเป็นทอดๆไปแเราจะทํำยังไงจึงจะหาพ้นทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าอไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีก็ไปส่งผนวหแล้วไปบวชอยู่ที่นั่นศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นเวลาถึงหปีอไปศึกษาอยู่ตรงนั้น่อะออปัญจวคีทั้งห้า ออกจากกรุงกบิลพัทก็ไปดูแลอุปถัมภะถาดถ้าจะว่าไปพระ อ, อุปถัมภะถาพ่อพุทธเจ้าถ้าจะว่าดูๆไปแล้วก็เป็นเครื่องถ่วงเป็นเครื่องถ่วงพ่ะองค์เหมือนกันทําไมจะว่าเป็นเครื่องถ่วงเพราอยู่ตั้งหชีวิตเนี่ยการหอยู่ด้วยการหชีวิตไม่มีเรื่องอะไรต้องเรื่องอันนึถึงจะไม่พูดก็จะเห็นกันอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องมีเรื่องความคิดมันต้องมีเรื่องอะไรที่จะต้องอได้คิดได้ อ่านเหมือนกันแต่นี้พอปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตะกรนก็บำเพ็ญอดปักยาหารทั้งสี่สิบเ้าวันกันในใจเอาละสิทธิธาเอาแน่ราคราวนี่คงจะได้สำเร็จตามสมความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านพอในสุดทำอะไรก็แล้วทำอะไรก็แล้วตั้งหกปีพอในสุดท่านก็มาฉันปักยาหารอีกอนี่แหละ ปัญจวาวคีทั้งห้าก็เลยล่าถอยทเสเื่อมศรัทธาโอ้ยสมณะไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยคำหน้าคำหลังเดินใช่ถอยหลังถอยหน้าถอยหลังอยู่นี่ไปเราหนีดีกว่าเนี่แหละปัญจ้วคีเลยกันหนีออกจากาตรงนั้นไปอยู่ไปอิสิ ป, ปตนะมิกขทายวันแขวงพารานสีไกลกันพอสมควรแต่นั้นพระองค์ก็อยู่ตามลำพัง ในเมื่อพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังเป็นอิสระเลยการภาวนาของพระ อ, องค์รูปการปฏิบัติของพระ อ, องค์เป็นอิสระเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นอิสระนะอยู่ในที่วุ่นวายพุกผ่านวุ่นวายเนี่ยธรรมะจะไม่เกิดพูดอย่างนั้นได้ที่พระ อ, องค์ก็อยู่ตามลําพังทีนี้พระ อ, องค์ก็นี่แหลหออกนะกะกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก่อนที่จะกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อพูดแบบรวบรัดนะ ในวันนั้นก็มีพุทธนิมิตรหรืออะไรเรื่องนิมิตเป็นเครื่องบ่งบอกหลายๆอย่างแต่หลวงพ่อจะไม่บรรยายบรรยายตรงที่ว่าในเย็นวันเดือนหกเพน่์เย็นวันนั้นนายโสธิยะนําญ้าคาผ่านมาแปดแบกก้าแบกหญ้าคาหรือหาบยญ้าคามาแปดกมื อ, อมอบให้ศิทธัตถะเพราะิทธัตถะท่านนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพ พวกเราก็คงจะเคยเห็นที่โคลนต้นโพมันลากมันลอยขึ้นมาบนดินนะาลากมันลอยตะปมตะปั่มแต่ในนี้นพเพราะนายสุธิยะ ก, ก็เห็นว่าคงจะนั่งลําบากเลยท่านก็มอบยาคาให้พระองค์ก็ได้รับยาคาจากนายสุธิยะแปดกำมือจากนั้นก็เกลี่ยทางต้นโพทางทิศตะวันออกอพอเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่ แต่ก็มันเกือบจะตกดินอยู่แล้วแ่ะแต่ยังส่งแสงอยู่เพราะพระพุทธองค์เขานั่งขึ้นไปนั่งอยู่ที่ยญ้าขาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงหันพินพระพักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผินพระพักไปทางทิศตะวันออกอาจากนั้นก็หลับตากำหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกครัวหายใจออก อันนี้แหละพวกเราฟังเอาไว้วันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันที่ได้ตัดรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้แหละคือกุญแจดอกแรกของพระพุทธเจ้าที่จะได้สําเร็จในวันในวันนั้นท่านก็นั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อจิตของพระองค์รวมสงบเลยพราะองค์ไม่คิดไปในอดีตที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตจิตใจของพระองค์อยู่ในปลายจมูกที่ลมกระทบลมกระทบพระองค์รู้ว่าลมเข้าหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกก็ลมออกมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่คิดใจขององค์ไม่ คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตจิตท้ององค์อยู่เป็นหนึ่งจิตทององค์รวมรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศนะเกิดฌานสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วฌานเกิดมาตามหลังสรุปแล้วก็คือสมาธิฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าว่าสมาธิไม่เกิดฌานจะไม่เกิดอันนี้ สมาธิเกิดก่อนพอจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพ่อองค์เกิดญาณารัศานะพ่อเกิดฌานญาณาร น, นะล้ำลึกชาติผนหลังได้ปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติผนหลังได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกในเรื่องนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าคนยุคนี้สมัยนี้เขาว่าตายแล้วสูญแล้วก็ไม่แน่ใจอีกว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญก็ยังไม่แน่เพราะฉนั้นการที่จะทําคุณงามความดีพวกเราก็เลยไม่แน่ใจ เพราะเหตุไรเพราะไม่มั่นใจว่าตายตายแล้วจะเกิดอีกหรือเปล่าเออถ้าเราทําไปแล้วอาจจะเสียเปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะตายแล้วมันศูญเพราะพระพุทธเจ้าจังว่าตายแล้วเกิดอีกอา่าสิ่งให้เกิดก็คือใจเออคือตัวผู้รู้นั่นแนหะละระลึกชาติผลหลังได้แต่ถ้าว่าพระพุทธองค์ตายแล้วศูญจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงลราผู้อย่างพวกเราเกิดในวัน น, น, นี้วันเดียวนะ ไม่มีเมื่อวานเราเกิดในวันนี้เราจะระลึกชาติเราเลือกระลึกถึงเมื่อวานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาวันนี้วันเดียวแล้ววันพุ่งนี้ล่ะแต่วันพุ่งนี้เราก็คิดว่าเมื่อวานไม่มีวันนี้มีวันพุ่งนี้ต้องมีฮะเออเราก็มั่นใจอีกเหมือนกันวันพุ่งนี้ต้องมีแน่ไอเพราะอะไรเพราะเมื่อวานมีวันนี้มีแล้วก็วันพุ่งนี้ถึงแก่ยังไม่ถึงก็จะพระอาทิตย์ต้องขึ้นแน่เออเป็นวันพุ่งนี้อันนี้บอกว่าเออ มุเพนเนวาสานุจติญาณและลึกชาติคนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนนั่งภาวนาจิตประไทยในใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเดวยวจุตูปะ ป, ะปะตาตญาณการตุติของส ร, รพสัตว์ทั้งหลายการเกิดการตายของสัตว์มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่จะไปไหนนี่พระองค์ก็รู้อีกว่าคนเราเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนีนะ่เป็นร้อยๆคนเป็นร้อยคนนั่งอยู่นะ ทำไมไม่เหมือนกันกรรมจำแนกให้แก่พวกเราเไม่เหมือนกันบางทีก็โง่บางทีก็ชราดบางทีก็รวยบางทีก็จนบางทีก็แข่งขาพี่คงพีการ อ, อ, อะไรมันมีหลายหลยอย่างในการเกิดแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมกรรมจำแนกถ้าใครทำกรรมดีไว้ในอดีตกรรมดีนะ่จะพามาเกิดในปัจจุบัน จะมาทางที่ดีแต่ถ้าว่าใครทํากรรมชั่วในอดีตมาเกิดที่นี่ก็ได้รับผลกรรมในอดีตที่ตนได้กระทําไว้อย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างปานาติปาตาเวียอย่างศีลห้าพูดง่ายๆอย่างศีลห้าพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามชอบในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้นั้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตจะสั้นแต่ถ้าผู้ใดก็ตามชอบรังแกสัตว์ทุบตีสัตว์ ไม่ถึงกับฆ่าแต่ลังแกสัตว์เห็นสัตว์เห็นทั้งตีทั้งเตะทั้งอะไรทั้งค้อนทุบค้อนตีทรมานรังแกสัตว์ด้วยเห็นคนก็ตา่าอชอบรังแกสัตว์เรีว่าตีสัตว์หรือว่าตีคนหรือว่าต่อยคนเป็นเครื่องสนุกท่านว่าเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคนคนนี้แหละจะทุกพ ล, ลภาพทางร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น ถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนแต่เข้าโรงพยาบาลเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกเพราะอะเพราะว่าทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตคือชอบรังแกสัตว์แต่ถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์คนนั้นชีวิตจะสั้นข้อที่สองก็เหมือนกันอธินาทานาเวรมณีแต่ถ้าว่าใครชอบขโมยของคนอื่นเขา เ, เห็นของเขาแนละ้ขวขโมยเกิดพหน้าชาติหน้า เขาจะไม่เคารพสิทธิ์ของเราเราไปวางสิ่งของไว้ที่ไหนมีแต่คนคดคนโกงคนขโมยคนแย่งชิงทั้งที่ของคนอื่นรองเท้าวางเต็มไปหมดดีกว่าของเราอีกของเราเราคาก็ไม่เท่าไหร่ขโมยก็มาเอาของเราไปฮนี่แหละอันนี้คื อ, คอพระพุทธองค์บอกว่ากรรมเก่ากรรมในอดีตออพอนั้น อ, อ, อย่างกาเมีสุมิจฉาจาราวีรมณีก็เหมือนกัน สามีภรรยาลูกหลาน เ, าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ไปอยู่ในโอวาทไปคนละทิศคนละทางพระพุองค์บอกว่าเนี่ยพวกนี้ไม่เคารพในศิลข้อที่สามไม่ไม่มีศิลข้อที่สามพอเกิดมาพบนี้ชาตินี้จึงไม่ไม่เชื่อฟังซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่ข้อที่สี่มุสาเกิดมาพบใดชาติใดเอจะมีคนต้มตุนหลอกลวงตัวเอง หลอกลวงตัวเองได้ง่ายที่สุดเพราะแะไรเพราะตัวเองเคยทำกับเขามาไว้แล้วในอดีตชาติอันนี้ก็คือพระองค์รู้อีกว่าจุดตูปปาปาทยานคือกรรมของสรรพสัตว์และข้อที่ห้าสุราเมระยะมชัะการดื่มดื่มสุราและเมลัยพวกนี้เกิดมาพบหน้าชาน่าจะเป็นคนโง่จะเป็นคนไม่ฉลาดเรียนหนังสือจะไม่จราะเห็นเลเพราะดื่มสุราบาป อกุศลตัวนี้จะให้ผลไปในทางนี้นี่แหละขอให้พวกเราท่านทางหลายเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าหลักของหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยขอให้พวกเราคณะสัตยาติยมทุกๆกท่านอย่าทำพระพุทธองค์กับตรัสไว้เป็นภาษาบาลีภาษาที่พวกสอนพวกเราว่าอักกตังดุกตังเสยโยปัจชาตะปฏิดุกตั ง, วยยตตตงความชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกรู้เห็นแล้วว่าการทำกรรมชั่วไม่เป็นผลดีมันจะทำให้เราสืบเนื่องไปต่อไปในอนาคตยาวที่สุดอย่างพระโมกคลาพระโมคคลาที่ท่านฆ่าพ่อแม่ของท่านมาพบนิชาินี้ท่านเป็นพระอรหันต์หอเหินเดินฟ้าได้แต่ทาไมถูกฆ่าพระพุทธองค์บอกว่าสมควร โมกขาลาสมควรตายเพราะเคยทํากรรมไวในอดีตพระสงฆ์ก็ถามกรรมอันไหนพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าโมกคลาเคยฆ่าพ่อแม่ที่ตาบอดในอดีตชาติเพราะฉนั้นท่านจึงได้ใช้กรรมมาพบในชาตินี้ถึงจะเป็นพระหัน์เป็นอัครสาวกของเราเหาะเหินเดินฟ้าได้มีอิทธิฤทธิ์ก็ไม่เหนือกรรมถึงจะมีอิทธิฤทธิ์ก็ไม่เหนือกรรมเพราะนั้นพระโมกคลาจึงได้ใช้กรรมสมควร ตายเพราะกรรมของตนในอดีตเพราะนั้นกรรมชั่วจะทำเสีลยดีกว่าเพราะนั้นขอให้คณะสัตา ย, ยาธิโยมทุกทุกท่านวิธีการภาวนาของหลวงปู่มั่นถึนี่แต่ในหลวงพ่อพูดเรื่องพระพุทธเจ้ า, จาแต่ที่มาพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถึงต้นตระกูลของพวกเราหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านสอนครูบาอาจารย์พวกเราท่านบอกว่าให้นั่งภาวนาณนะก่อนที่จะนั่ง ให้ไหว้พระก่อนอาระหังสวากาโตสุปฏิพโนนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังสุดแท้แต่จะสวดอะไรก็สวดเออมากก็ได้น้อยก็ได้แต่สวดใต้มากก็ดีเออจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่าลืมแผ่เมตตาแผ่เมตตาคือทั้งจิตใจให้แน่วแน่อาหารสุขิโตโมินิทุโคมิหรือพระศพเพสัตตาสดาหุนตุก็ได้แต่ถ้าเราท่องไปได้ให้นึกปนมมือ ปนมือขึ้นระหว่างตั้งใจให้แน่วแน่ว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโล ก, กธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณด้วยเถินคือเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตเหมือนกับการการะนกเขาอย่างนั้นะ เ, เราให้อภัย เ, เราไม่ผู ก, ผกพยาบาทอาฆาตเวลาเราไหว้พระเสร็จแล้ว จากนั่ง น, นั่งสมาธิเลยเวลาเราจะนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเป็นไปได้ดับวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ดับหมดเข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาเอาจริงจังสักหนึ่งชั่วโมงถ้ามันจะรวยก็คงจะไม่รวยเร็วถึงขนาดนั้นหรอกดับไป ส, สักหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาหาอาหารเข้าสู่จิตใจแต่อาหารร่างกายเราเราหาทั้งวีทั้งวันแล้วแต่หนึ่งชั่วโมง เราจะเอาหาอาหารเข้าสู่จิตใจจากนั้นเรากด น, นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลงหมูปู่มันท่านสอนนะพอนั่งขัตสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบพออมือพอพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วเอามือลง กอมือลงแล้วกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าถูแต่พระพุทธเจ้านะที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้านั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกครัวาหายใจออกมีสติสัมปะชันะในลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มั่น อ, อท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน น, นบอกเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันหลุดได้ง่ายมัน มันออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายให้สัมผาบกับพุทโธด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธถ้ามันหลุดพยายามตั้งจิตให้เข้มแข็งข้นนี้ดูดูให้ดีแต่ถ้าว่าเราฝึกหัดใหม่เราไม่รู้ว่ารบกระทบที่ไหนให้หายใจแรงๆหายใจกระแทกเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆหายใจเข้าแรงๆสักสามสี่ห้าฟึดนะ ฟุดฟาดฟุดฟาดจากนั้นก็ค่อยๆผ่อนๆ่อน ล, ล, ล, ลงจากนั้นเราก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมถูนี่แหละอันนี้แหละคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานทุกคนนอะอันนี้คือวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินวิธีการภาวนาแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเราได้อะไรเมื่อเมื่อเราภาวนาไปเราพยายามทําภาวนาจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะท่าน ใจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งใจิตใจจะเย็นสบายมีความสุขนะเอถ้าเราพยายามทําพยายามทำนั่งให้นานใจิตใจของเราจะสงบรวมสงบเมื่อจิตสงบแล้วท่านบอกว่าไม่มีความสุขไหนยิ่งกว่าความสงบใจิตใจสงบท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นว่านาฏิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสถาญาตโยมทุกๆ ท, ท่านนะ ฝึกหัดดูเรียว่าความสุขอย่างอื่นนั่นอะ เ, ออเรามีเงินคําทรัพย์ส่วนไว้ที่พออกพอใจถูกอกถูกใจอันนี้เป็นความสุขประเดียวปเปลราแต่ว่าจิตสงบเนี่ยเรายังไม่เคยทดลองเลยสิอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านบองไม่มีเอาไหนที่จะสุขยิ่งกว่าจิตสงบนี่แหละจะทําสงบได้ยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้นํำทำคําสอนขององค์หลว ง, งปู่มั่น จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ไหนก็เถอะที่เป็นสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะบอกบอกว่าให้ภาวนาพุทโธนะาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโธพุทโธถ้าหากว่ามันยังเผลอใจมันยังเผลอจะเอาพุทโธให้ทีพุทโธพุทธโธพุทโธพุทโธขณะที่ใจของเรานึกคิดเอาให้อยู่นี่แหละอันนี้แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อจิตสงบแล้วถึง จิตรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครเพราะจิตกับกายกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันเห็นได้ชัดเลยเมื่อจิตสงบแล้วเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจก็เหมือนกันใจเนี่ยเป็นอาศัยกายแต่ไม่ใช่กาย พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องใจมากกว่ากายทั้งที่มองไม่เห็นนะท่านให้ความสําคัญเรื่องเรื่องใจมากกว่าเรื่อมนโนปุพังเข้ามาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉนั้นใจดวงนี้จะทํายังไงจึงจะอบรมจะทํายังไงจึงจะคิดใจให้สงบแต่ทายังไงใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเป็นสมาธะหรือว่าเป็นสมาธิแล้ว ต่อไปเดินวิปัสน า, าเดินวิปัสนา เ, นเอาพูดยาวเลยทีนีเ้เดินวิปัสนาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหเห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่แหละให้โซเฟอร์ให้พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของรถทีนี้ออันนั้นคือหม้อน้ําอันนี้คือสายพานอันนี้คือโมเล่อั น, น, นก็ว่ากันไปลเลยคือให้ใจของเราอันนี้คือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอนเนน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจ ตับพังปืดใต้ปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งเผาไฟแน่ๆทิ้งแน่ๆเออเอาไปปล่อยลงมหาสมุทรทะเลแน่ๆเออปล่อยลงน้ําโขงแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆแต่ใจตรงนี้ไม่ตายเนาะบุญกุศลมีเท่าไหร่ใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าเราทําบาปบาปกุศลก็เท่าเข้าสู่ใจนั้นถ้าเราทําความความดี ความดีก็จะเข้าสู่ใจนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้อาตมาภาพหรือหลวงพ่อได้บรรยายแนวความคิดให้แก่คขศตรติธา ญ, ญาติโยมได้ฟังเยืดยาวในแนวความคิดหลายๆอย่างตั้งแต่เรื่องของหลวงพออ่อเมืองของพวกเราเทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเคารพองหลวงตาอย่างไรหลวงตาหลวงตาเมตตาหลวงพ่อเราอย่างไร ตลอดถึงหลวมพ่อพูดเรื่องชาดกให้เป็นแนวความคิดอย่าผูกพยาบาทอาฆาตกันเหมือนกากับนกเขาแล้วก็ให้มีการอยู่ด้วยการต้องให้ซ้อมรวมระวังให้มีฮิริอตุตะปปะอย่างอย่างที่จะเป็นลูกลุกลกเขยเขาก็ต้องต้องรู้จักเกมตัวต้องรู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ศึกษาเยีเหมืองกันจัดเป็นหมวดสิลงคือการเป็นอยู่จากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสมาธิอย่างพระพุทธเจ้าท่านออกหนีออกหมวดท่านมุ่งหวังอะไรท่านต้องการอะไรไอ้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งพวกเราควรจะศึกษาจากนั้นก็ได้นําแนวแถวปฏิบัติของหลวงปู่มั่นมาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหลวงปู่มั่นพาดําเนินอย่างไรที่สอนสิทธิ์แจ้งนิสิต สอนลุงปู่ลุงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนอย่างไรเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางประสบกําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเบื้องต้นอาตมาภาพเรยกเป็นพุทธภาสิตว่าอาเซวานาจาบาลานัง บัณฑิตานนั้จะเสวนาปูชาจะปูชนิยานังเอตมังขรมุตตมังเสวนาจะบาลานังให้พวกเราคบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลัก อ, อย่างหลวงพ่อเมืองของพวกเราเนี่ย เ, เป็นว่าบัณฑิตให้ใค่ายว่าเป็นผู้รู้สั่งสอนลูกหลานให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาป บ, บุญคุณโทษเี่ เสวนาจะบาลานังคนพาลจะไปคบคนพาลคือพาละชนจะไปคบคฆาตสมาคมถ้าคบคฆาตสมาคมกับคนพานลนะพวกเราจะตกต่ำํำบัณฑิตานนั้นจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานังให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านเป็นผู้มีอุปกา ร, ะระคุณเราก็ควรบูชาพระคุณของท่าน ปูชาปูจิ๋เอตมังคารมุตตมังอันนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพราะนั้นขอให้คณะจตยาง ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าตลอดพระสงฆ์น้องหนุ่งทางไลายก็ข อ, ขอให้ตังต้งังใจประพฤติธปฏิบัติเราเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาให้เป็นสากยบุตรที่แท้จริงสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะเราเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจา้าให้เราคิดไว้ในใจเสมอว่า ให้พวกเราคิดไว้ในใจเสมอว่าถ้าหากว่าเราทําตนอยาน่างนี้ถ้าเราเป็นครว่าต์เราจะกราบเราลงไหมให้ถามตอนอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นครว่าต์เราจะกราบเราได้ไหมให้ถามตนถ้าว่าอ้ถ้าเราทําตนอย่างนี้เรากราบเราไม่ได้แสดงว่าเราทําไม่ถูกต้องแล้วเในกรณีอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะเราเป็นศักยบุตร id, เป็นบุตรของพระพุธทธเจ้า แต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกเป็นว่าบุตรนอกข้ อ, อบุตรไม่อยู่ในโอวาทบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นขอพวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นขอให้พวกเราเชื่อในพระธรรมคําคสอนจากนั้นให้ประพฤติปฏิบัติบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะให้พิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์มาแล้วลท่านเชื่อมาแล้ว พวกเราควรจะพิสูจน์อย่างที่พรอพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พิสูจน์พวกเราจะเห็นจริงเห็นจังอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราให้เชื่อในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่เห็นไหมท่านจุตินิพพานทุกองค์เกือว่าทุกองค์พอเราไปชุมเพิงเราพระราชทานพระราชทานเพิงองค์หลวงท่าน อ อ, องค์ท่านไปแล้วหลายๆองค์กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้รู้ได้เห็นเป็นเป็นจักขีปยานเพราะฉนั้นขอให้พวกเรามั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นพระรหันพูดอย่างนั้นได้เลยเ อ, อคือกระดูกของพระรหันเป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราเราก็ต้องศึกษาทีนี้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราปฏิบัติอย่างไรท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไร